เรื่องจุดไฟบ้านป้องกันไฟป่าโดยพระอาจารย์สมภ พ, พโชติปัญโยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้พระพิพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวความหนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความพาสุขทุกประการ จงบังเกิดมีแดดย่าโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้โตวแงห้หาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในปริสนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกทั้นทุกคนในโอกาสนี้วันพระใหม่ที่มาถึงวันนี้อาตมาภาพขอถือโอกาสกล่าวธรรมพิฆ า, า, าคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมเ่งจะนามาซึ่งประโยชน์สอดิพน ซึ่งท่านทั้งหลายควรจะได้รับรู้รับฟังเพื่อจะเดินํำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาตนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้วันพระมีด้วยกันทุกๆศสรตะนาพุทธะตระนามีวันเจ็ดคำแปดคเจ็ดสี่คำสิบห้าคำตนะหนมซึ่งเป็นตระน้าดังเดิม ในสังคมชาวพุทธอินเดียแต่ก่อนนู้นก็ถือวันนี้เราก็เลยเอาวันนี้วันพระมาจากรกาชส่วรรไปบอกวันประเสริฐวันที่จะทํทยาจิตใจให้ประเสริฐให้ปีนจิตใจเหมือนกับพระวันที่จะจุดใช้แรงงานจัดวันที่จะหยุดการก่อเวรสร้างกรรมก่อกรรมทาเค้นก่อเวรสร้างกรรมที่จะเผาโลกให้เราร้อนด้วยประการต่างๆนานาแ า, ากพว ก, กจิตใจเหมือนสัก ผ้าที่ใช้มาแล้วเจ็ดวันแปดวันให้มันสะอาดกระอ้านก็เลยทําตัวให้มันเหมือนผ้าอยู่อย่างผ้ากินอย่างผ้าสงบสตงเงยนพูดน้อยๆไม่เบียดเบียนกระทบกระทั่งตนเองและผู้อื่นหนักๆข้าวบางทางเกาะลงวัดเลย จ, จําสินอุโบสถนอนวัดเหมือนกับพระไม่ต้องกินข้าวเย็นเหมือนกับพระวันนั้นเราเป็นพาะศาสนาคริสเตียนเขาก็ม่วันซิบบาโตวันฮอริเบ <c oughs> คือวันเสวนาวันอาทิตย์นั่นแหละเป็นวันพระฮอล리เดย์ Holiday, แปลว่าวันแห่งความบริสุทธิ์ฮอรี่ส่วนพี่น้องชาวอิสล า, ามก็มีวันพระยมเจมาคือวันศุกร์เหมือนกันคนที่ไปทํางานทางตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียทางอามริกาตอนเหนือทิศน้บพื้นตะนาอิสล า, ามก็มจะได้หยุดงานในวันศุกร์นั่นคือวันพระเ้ า, าก็จะเข้าไปมัสยิดคือวัดของเขาไปละหมาด องกันนะนนี้จะต้องไหวพระเป็นพิเศษเลยนี่น้องชาวอิสลามมีระเบียบที่ดีงามมากอย่าก็คือการซพอสูจน์สอบพระผู้เป็นเจา้ามีการกราบไหว้มีการตั้งเสริญคุณพระเจ้ามีการสลาารสลาบมีการละมาอัลลอฮฺวะฮัดนัน่นฮัมดุลิลลาฮฺอยู่กา ล, ลางทะเลทรายนั่นะว่าเป็นาการกระทำที่ดีงามนี่น้องชาวมุสลิม ไม่ว่าประเทศใดก็ตามดูการเป็นอยู่ชีวิตแต่ละคนประจําวันมันเหมือนกันเสมือนหนึ่งเป็นเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอะแห่งอิสลามมิกระทบส่วนพวกเราสชาวพุทธก็เหมือนกันในสมัยโบราณนูน้นบ้านหนึ่งเบื้องเดียวกันนี่อยู่กันอย่างอบอุ่นคุณบานพีนี่บ้านหนองปองดองหักแกนที่งามถูกนหนาเฉีนเขาวานเอิบซอยกัน อยู่ด้วยกันได้เมนตุกอยากให้พ่อได้แบ่งกันกินคนทั้มีสิ้นทําหาดอยู่นั่งกันได้อยู่กันฉันพี่ฉันน้องเสมอหนึ่งเคยญาตอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพุทธธรรมในสังคมสมัยน้น แต่สมัยนี้เกือบจะไม่มีเป็นยาเหาะตาชีวิตเป็นเปื่อยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่คมเห่งมือให้ยาวสาวได้สาวเอาพูดกันไม่รู้เรื่องเพียงแต่รู้ภาษาพูดกับควายยันดีกว่ายู้สัญญุตจิกลวดพ่อแม่พูดกับลูกสาวลูกชายไม่รู้เรื่องรู้แต่ภาษาอย่าไปเรื่องอีหลาอย่าเห็นเด้อบักหลาเ น, น, นเนี่นั่นแม่มีไว เขาจะฟังเจ้าบอกเกิดจ้แห่งเกินมังยูขุนจิตจักอย่างเสือถาะว่าเข้าไปน่ะมันก็นเลยเป็นสิ่งที่น่าคิดเดี๋ยวนี้่าหรับวันพระนี่อาตมาจะแก้เพราะถือโอกาสเจ้าทำมิกระทาปาากราทาทำในหัวข้อซึ่งออกแกพิลิกกึกกือคือขอกล่าวดยหัวข้อว่าจุดไฟบ้านรับไฟป่าทําไมต้องพูดคานี้เพราะพูดให้มันเข้าใจง่ายเพราะพูดโดยเจ้าท่าน เหตุเรื่องอะไรเขาเรียกว่าสูตรนั้นสูตรนี้สุตะ ม, มาจากคาว่าเส้นได้ระเบียบร้อยรัดสุดตัน ต, ตามด้วยว่าสิ่งที่เดี๋ฟังมาเรื่องราวที่เดี๋ฟังความหมายมันกว้างเดี๋ยวนี้ก็พูดกันถึงวอนโวสูตรมาแล้วแต่เรามาจะพูดสูตรนี้จุดไฟบ้านรับไฟป่าเดี๋ยวนี้นาข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านแล้วแล้วตามทุ่งตามท่าตามไร่ตามนาฟางแห้งแห้งเฟืองแห้ง หน้านี้หน้าไฟป่าลุกลามมาหม่เทียงไหรเทียงนาใหม่แต่สมัยโบราณไม่บ้านเลยอาตมาเป็นคนบ้านนอกรู้จักลีบ้านแผลบ้านตาดงบางปูจันบ้านของอาตมาเนี่ยโวยจะไปในเมืองในวานนอนนู่นต้องเดินกันไปมีแต่ป่าดิบดองดังสมัยก่อนโนดพอข้าวขึ้นนาป่าขึ้นบ้านแล้วบางหมู่บ้านไปป่าลามมาไม่ไม่แม้กระทั่งบ้าน เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาก็ยังได้ยินไฟป่าไหม้บ้านแถวจังหวัดเพชรชบูรณ์บ้านร้อยสี่สิบครอบครัวหมดเกี้ยงอันนี้ไฟป่าเราสามารถที่จะรักษาไม่ให้มันไหม้มาได้ก็คือจุดไฟบ้านรับไฟป่าคนเบราณพอถึงหน้านี้แล้วก็ไปก็รอเคาะไม้ประชุมกันตูเ ท, ท่าผู้โอลูกหลานเอ้ยพากันไปแกะเด้อหลอะ บ, บ้านเฮารวมกันไปทางแล้วก็ไป แกไปเกลี่ยแหนหถังตุยให้มันเตี้ยงออกจากรอบบ้านแล้วก็ไฟจุดไฟเผาตอนเย็นๆ็นตอนที่ลมไม่ค่อยแรงเผาเพื่อป้องกันไฟป่าที่จะลุกลามมาไหมบ้านนี่เราป้องกันไฟอยา่างนี้เรียกว่าจุดไฟบ้านรับไฟป่าตัดไฟแต่ต้นลมพ่อแม่ของเราท่านฉลาดเพราะประสบการณ์คราวนี้นันระดับกันได้ เคยมีสมัยก่อนที่บ้านโอ้ยไฟป่าลามมาทั้งบ้านเลยพานไปช่วยดับไฟเอาพดไม้ไปตีเอาน้ำใส่คู่ตาแป้งก็ต้องไปรถไปดับโอ้ร้อนเหือไรใครหยดแสบผู้แสบตากว่าจะเอาอยู่ถ้าเอาไม่อยู่ก็ไหมกันพี่หน้าสมัยนี้ไฟป่าไม่มีแต่เราพูดเป็นํำนวน มันมีไฟบ้านลุกไหมท่วมไฟฟ้ามันช็อตอยู่ในบ้านสายไฟเส้นไหนเก่าๆดูให้มันดีๆนะหน้าร้อนมาถึงแล้วก่อนจะไปจะมาไม่แน่ใจอยู่บ้างกระตาับาคัดเอามันออกไม่เช่นนั้นมันอาจจะช็อตอาจจะไหม้บ้านไหม้เรือนของเราจิ้บหายไวบ่อยมีข่าวให้ได้ยินบ่อยๆตามหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเมื่อสองปีก่อนไฟไหม้ที่มันตะเลเมืองหลวงอันดับสองของพอ ม, ม่าเมืองใหญ่อันดับสองโอประชาชน ไม่ไปตั้งสี่ห้าหมื่นครอบครัวประชาชนหลายแสนเป็นล้านคนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยนั่นคือไฟบ้านเตลเจากความซ า, าเผาเตลเจากความไม่รอบคอบเดี๋ยวนี้จะมาจะพูดเรื่องดับตุดไฟบ้านรับไปปะขอให้ท่านทั้งหลายฟังดูให้ด็กก็แล้วกันขอใช้ภาษาง่ายๆไฟที่จะพูดนี่ก็หมายถึงไฟภายในไม่ใช่ไฟภายนอกเขาพูดถึงจ้าขันปุยไฟนะ ไฟภายนอกไหมบ้านมันยังมือเหลือเหลือจิตเหลือใจเหลือชีวิตเอาไว้แต่ไฟที่มันไหมภายในคือไหมจิตไฟไฟแห่งความเห็นแก่ตัวไฟแห่งความโลภโลโกธรรมนังปริพันฑ์โทไฟแห่งความโกรธเทนฆ่าเบียดเบียนเพ้่อกันอะไรกันไฟเหล่านี้ยิ่งร้ายไปกว่าไฟที่มันจะมาไหมบ้านไม่เรื่อน นี่ปุตตะบอกว่าราคะขีไปคือราคะโทสักิไฟคือโทสโมัมโะกิไฟคือโมหะไฟอื่นจะยิ่งกว่านี้ไม่มีท่านแสดงอาทิตตปริยายสูตาเป็นไฟหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟกายเป็นไฟตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นได้รสกายได้สัมผัสจิตใจได้นึกคิดพอใจไม่พอใจเกิด ค, ความโลภความโกรธความหลงจากสิ่งเหล่านี้เราไม่จิตไม่ใจให้เราร้อนลุกลามปไปไหมคนอื่นไหมบ้านไม่เมือง แย่งกนันยิงแย่งทินกันยูแย่นขู่กันพิจวาดแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นตโรคก็เลยเกิดวิกฤตการ์ท้าวบอลเกิดสงค์ามระนดอนมันอยู่ทุกวันนี้บ้านเมืองของเราเกิดวิกฤตการต่างๆเพราะไฟแห่งความโลภไฟแห่งความเพ้นแก่ตัวไม่อกไม่ใจจะไม่มีโอกาสที่จะเห็นจิตเห็นใจไม่มีโอกาสจะสงสารผู้ที่อ่อนแอกว่าตนเอง ผูม้มีกําลังมีอภิสิทธิ์อิทธิพลอํานาจโอกาสวาตะนะเอาไปเหยียบคนทุกคนยากจนเพราะขาดสิงดาทาคนยากคนจนก่อเห็นแก่เนื้อแก่ตัวคนจนซื้อหวยคนรวยขายเลขเพราะความเห็นแก่ตัวถ้าถูกน้อยเขาก็อ่อยหายใจกระเถิหลายเขาเจ้งไปฟองกระไบะเขาคุกน้ากันเห็นไดมบา้านมันเห็นแก่ตัวเมื <c> ่อ <oughs> มันเห็นแก่ตัวแล้วก็เกิดไปไม่หัวใจ ไฟแห่งความโลภไฟแห่งความเพ่งแก่ตัวเซธีใจบุญเห็นแก่ตั ว, <c oughs> ต, วตายไปเป็นเกิดเป็นนายทุนหน้าเลือดในขณะนั้นคนจนไม่รู้จักสับสนิ ส, สธรรมอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลตนเป็นขนาดนี้ประมาณนี้รู้จักเห็นรู้จักพ้นรู้จักตน ร, รู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาขณะนี้เดี๋ยวนี้แค่นั้นเพียงไรเราอยู่ในฐานะภาวะเพศขนาดไหม ความรู้ความรามากมีเพียงไรเราจะทําอย่างไงไม่เอามีแต่อยากจะรวยทางรัดงานการไม่อยากจะทํามีแต่อยากจะร่ํอยากจะรวยหับาอาจารย์อยู่ที่ไห้หลังไรไปขอเลขขอหวยพระสององค์เาแทนนี่จะศึกษาประธรรมวิ น, ในใยัยไตรปิฎกประพฤติปฏิบัติเป้นสมาธิปัญญาอบรมจิตอันยิ่งกายอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งไม่เอานั่งเพ่งนั่งเพ้อคิดถึงแต่เรื่องมันจะออกหวยล็อกตัวไหน เอาก็เขียนเป็นซองให้โยมไปหาแจกขายเดี๋ยวนี้มันต้องซื้อเลขสองต่อซื้อเลขซองแล้วก็มาซื้อแหงหวยรัฐบาลมัง่งแหงหวยใจดินหมัง่งโอ๋ชทบ่พายไว้พอ่อในความเห็นแก่ตัวไฟป่าไมม่ไฟบ้านไฟบ้านมีเชื่อให้ไฟป่าถ้าเราดับภายในไว้สก่อนพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เราก็ไม่ให้ไฟเหล่านั้นมาไม่เจ็บไม่ใจของเราเดี๋ยวนี้ลุกลามกันใหญ่โต ไฟอย่างนี้เมือ่อมันเป็นอย่างนี้แล้วอะไรล่าสที่จะทําให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคมในชีวิตของเราถนะ้าหากเราหันหลังให้แก่สิ้นแก่ทําให้แก่ตัดตั้งแต่ไม่ทําความเข้าใจในสิ่งนี้มันก็เป็นอันว่าเปิดโอกาสให้ไฟป่าไม่ไฟบ้านเปิดโอกาสให้ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดในบ้านในเมืองของเราเดี๋ยวนี้ไฟป่าถ้าจะดูกันแบบหยาบหยาบไฟจากข่านิยมที่ผิด ภาคกันเห็นของหายเป็นดีมีค่าวภากันเอาดานดาวดงกว่งวาเปนคนโบราณสอนเราละเอ้ยาาขนจะไปท่หาเ้ลังของเก่านลุถเถาเศร้าอยสุไปยาสุเห็นของหายเป็นดีมี่ายสเอาดานดาวดงกว่งวาเงื่อนโยนี้จะไปข้างหน้าหันหลังของเก่าบหันไม่มองดู ไม่ก็ม า, าเราจะ ก, ก้าวหน้าชีวิตของเราถ้าเยือยทะยานลอดเล่นไปครั้งหน้าควรจะรู้จุดยืนอย่างเด่นชัดสภาพที่แท้จริงของตนเองในนี่อยากมีรถยนอยากมีตู้ยนอยากจะมีโทรพาทอยากจะมีพัดลมอยากจะมีวิดีโอโอ้สารพัทอยากแต่ไม่ยืนมองดูตนเองว่าเราอยู่ในสภาพอย่างไรเราพร้อมหรื อ, อยังที่จะมีสิ่งเหล่านี้เรามีเงินสดที่จะซื้อได้ไหม เอาซื้อแล้วเราจะไม่เดือดร้อนข้างหน้าไหมลูกเต่าเราจะมีอะไรกินจะเอาอะไรให้ลูกศึกษาเราเรียนถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะมีเงินรักษาไดายอย่างกาทรท่า น, นไม่ไม่รู้จักแบ่งทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสาธารณะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้รู้จักแบ่งแบ่งทรัพย์กา ม, มาโพคีบริโภคน้ํานี่ก็รู้จักแบ่งมั น, ส, น, น, น, น, นส่วนหนึ่งใช้จ่อยในครอบครัวของตนเองอีกส่วนหนึ่ง ก็บำลุงบุตรภรรยาสามหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เก็บไว้เพื่อวันข้างหน้าปัญหาจะเกิดขึ้นอาทิตยพีอาทิตีอาทิตีคื อ, อวันที่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะมาจะมีแขกมาหรือว่าแขกตัวนี้มันคงไม่เด้นหมายจะพาะแขกที่จะมาเยือนธรรมดาแคกแขกความเจ็บไข้จะมาเยือนจะได้เอาเงินจํานวนที่เซฟไว้เนี่ย เรียว่าอะติีอะตริตถีภาษาบาลีอะแปลว่าไม่ติถีกับวันติถีคลีก็คือเตรียมไว้เพื่อวันใดวันหนึ่งที่มันจําเป็นจะต้องใช้จ่เราตีความหมายแค่แค่ว่าเตรียมไว้เพื่อรับแขกแขกแข่งความเจ็บไายแขกแข่งความผิดหวังแขกแข่งอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวเตรียมเงินจํานวนเหล่านี้ไว้เราต้องมองจุดยืนของเราสไปข้างหน้าเล้วหลังของเก่าลานเอ้ยมาหลดทุ่งเท้าเอรษฐาญยาทุ่ไป เดี๋ยวนี้เปิดโอกาสมีความโลภเต็มอัดอยู่ในหัวใจความอยากได้จนไม่มีจุดยืนจนไม่ได้มองดูตนเองไฟป่าคือความทะเยอทะยานเกาะลุลับคนอื่นเขามีได้แล้วก็ต้องมียกบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งมงสันต์เศษครึ่งหนึ่งมงยากครึ่งหนึ่งเอากระดาษถงปูชิมินมาเป็นฝาแอมแล้วไปเอาโทรทัศน์มาตั้งเถอะเลอร์เ้ยอ่อนใจเต๋บัก นี่ไฟป่าได้ลูกหลามมาไหมหัวใจโลภขีิไปคือโลภที่กำลังไหมอยากได้อยา ก, ายากมีอยากเป็นก็ไม่ได้ดูจุดยืนของเรามันก็เลยถ้าเรามองดูว่าเออถ้าเอามาแล้วเราจะเดือดร้อนไหมลูกเต่าเราจะมีอะไรกินมีอะไรใส่มีเงินทองส่งเสียลูกเรียนไหมเจ็บใครได้ป่วยจะมีเงินทันทีไหมพระพุทธเจ้าท่านให้แบบไว้วันเลยนึ่ง บำรุงพ่อแม่ของตนเองให้โยู่เป็นสุขนี่ไม่คำหนึงถึงพอถึงแม่ก็ให้เราได้กินก็ให้ลูกเราได้ดูโทรทั์ก็ให้ลูกเราหมั่นมีก็ให้เมียเราสบายสองบำลุงบุตรภรรย า, าสามเก็บไว้ในวันอกิฉย ท, ที่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสี่บำลุงสมณะพามทําบุญทาทานฝากไว้เป็นคุ้มทรัพย์อันหนึ่งเรียกว่ามูลนิธิ รา่าแข่งทรับมู ล, ละนิธิรา่าแข่งทรัพย์ขุมแข่งทรัพย์ที่จะนําไปในวันข้างหน้าทรัพย์ตัวนี้ไปว่าปลื้มปลื้มปลื่มครับย์ไปว่าสิ่งที่ปื้มใจถ้าเราสร้างคุณงามความดีไว้บ้างทำบุญําทานไว้บ้างสั่งกุศล บ, บนบุญบ้างตามมีตามเกิดส่วนหนึ่งเก็บไว้มันจะปลื้มใจนึกถึงคุณงามความดีปลื้มใจ จะตายยังชื่นใจปุณยังสุขังชี่วิ ส, สัสสขยมหิบุญนั่นส่งให้มีความสุขแม้แต่สิ่งใจเวลาจะตายนึกถึงบุญที่ได้ทําไวปก็ยังชื่นใจโอราชาตหน้ามีเราก็สบายเพราะเราได้ทําดีไปแล้วถ้าหาชาติหน้าไม่มีแน่นอนชาตินี้เราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจเพราะเราไม่ได้ไปรักศกตกหอเขาไม่มีกรรมมีเวร ไม่มีใครเป็นศัตรูขู่เวนจองล้างจองผาจองฆ่าจองแกงเพราะเราไม่ได้ไปทําให้แกคนอื่นเดือดร้อนมันสบายใจตั้งแต่ขาดหนี้ขาดมามีแล้วก็สบายใจเพราะเราได้ทํำไปแล้วชื่นใจบางคนไม่มีคุณงามความดีเวลาจะตายเป็นโลกตับโลกไตมันไม่ชื่นใจคิดไปถึงคุณงามความดีหน่อยเดียวมันก็ไม่มี ม, มีแต่ความชั่วความเลวที่ทําไว้น้ําตาไหลอาบแก้มรอวันตายตกมาโลกไปตั้งแต่ยังไม่ตายจะตายแล้วก็สมสาร อยากจะให้โล่ให้เมียไปท้ามพระท้ามจ่าผมจะท่องคาถ า, า, ถาว่าอะไรก่อนจะตายมันจะไปได้อะไรนี่จะตายแล้วจึงจะมาหามันไม่มีโอกาสอีกแลว้วมันจะต้องเตรียมตัวเอาไว้อย่างนี้ปองกันเอาไว้สิ่งที่มันจะชั่วจะเร็วเดี๋ยวนี้เราบูชากันเลอเกินสิ่งที่ไม่จําเป็นก็อยากจะจำเป็นเงินไม่มีก็อยากได้เมื่อไม่มีเงินก็ไปหากู้หายืมกาเแสทางกรอนเป็นนี่เป็นสิ้น อิจะไปขัน้นหนาเลี้หลังของเก่าขั้นมันหลุดทุ่ดเท่าเศร้าถอนยาสลบไปมันลูดทุ่ดเท่าไมายเขามาถ้าเอาสิ่งนี้มาแล้วมันจะเดือดร้อนไหมจะเป็นหนี้ไหมเงินนี้ต้องเป็นหนี้เขาใช้จ่ายอ่าเป็นเดือนเป็นดาวโอ้ทุกของคารวะาทุกเพราะความเป็นหนี้พระพุทธเจ้าบอกทุกเพราะความเป็นหนี้อย่างหนึ่งทุกเพราะความไม่มีชรับอย่างหนึ่งทุกเพราะการทำการงานอันประกอบไปด้วยโทษอันหนึง่งมันมีได้ทุก สุขของคาร ว, วาสุขเพราะความมีทรัพย์สุขเพราะความไม่เป็นหนี้สุขเพราะความใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์สุขเพราะการประกอบการงานอันปราศจากโทษในเบียดเบียนตนเองผู้อื่นเราจะต้องดูตัวเรามันมีหนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วเราจะมีเงินส่งเสียมันหนี้ไม่คิดขอให้ได้ยืมขอให้มีหนี้ใดเอามาดาวมาพนมาทรงมันเป็นอย่างนี้ มันก็เลยมันหลูดทวดเท้าโบราณบอกว่าขั้นมันหลุดทวดเท้าเศร้าถอดยาสุไปขั้นเป็นมีเป็นตินแล้วคิดว่ามันจะหนักนัวถ้าเกิดมันแรงมาไปหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลําบากอย่าเป็นมันเลยดีกว่าใหม่นี้ก็ใหม่เป็นไรพ่อแม่เราก็ไม่เคยพาเราบีรอกเองเรานี่ยอดทนไว้ก่อนเอาไว้ให้มันพร้อมแล้วค่อยมีก็ได้อย่าสุเห็นของหายเป็นดีมีคายจะสุเห็นดานด่าวดงกว่างว่าแป้น ของหายเป็นดีมีขา่าข่านิยมที่มันผิดผิดซุ้งเปื่ยมื่งมีนีถูกต้นเมื่งตีตนเองเนี่ยต้นเห็นช้างขี้ก็จะขี้ตามช้างเห็นข่านิยมอย่างนั้นเป็นเรื่องถูกเนี่ยเห็นของหายเป็นดีมีข่าและดีข่านิยมแบบฝลั่งมั่งค่าลังไล่เข้ามาท่วมทับดับสลายจิตใจถูกครอบงําไปจากเมืองนอกไปจากฝลัง่งตะวันตกลังไหลเข้ามาไม่จิตไม่ใจลูกล้าน เยวาวชนของเราแล้วเห็นของหายเป็นดีนี่ค่าแต่ก่อนหยุดงานวันพระไปวัดไปวาฟังเทศฟังธรรมกันได้รับความรู้ความเข้าใจหยุดการก่อเวรตั้งกรรมนั่งของดีบอราณเขาเข้าโบเข้าเชิดของเราหยุดวันพระไปหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ไปดูมวยตู้ไหนาอยู่ทำงานอยู่ก็ต้องหยุดถ้าหารจะจัดงาน กอยากจะจัดต่วันเสาร์วันอาทิตย์มีมนต์ตั้งอาจารย์ต้นพบไปเทคูบาอาจารย์จะได้ฟังด้วยเพราะวันอื่นไม่ไดีทไมต้องมาหยุดตะวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าไปวันเสาร์วันอาทิตย์เาคูบาอาจารย์มาฟังเพลแต่าชาวบ้านอีกค่อนบ้านดูดูมวยนี่ทำยังไงเพราะเห็นค้องหายเป็นดีนีคาเห็นดานดาวดงกวงว่าแปลงภัยกำลังจะลังไหลเข้ามาท่วมทับจิตใจเราจะต้องมอดไปเราจะต้องจุด เปาเผามันไฟเหล่านี้ส่วนที่มันไม่ดีไม่งามจะต้องตัดออกไปเผามันออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเชื้อเดี๋ยวนี้เราโขกครอบมามแล้วโขกไม่เก็บไม่ใจคบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชาการทุกโมเราต้องเป็นแบบเป็นอย่างคนไหนไม่ดี ก็ขจัดออกไปอย่าเอาไว้เป็นเชื้อมันจะลุกลามบุคคลที่มีอาพิสิกอิทธิพลอำนาจโอการวัฒนธในท้องถิ่นในชุมชนในแผ่นดินบุคคลเหล่านี้ถ้าประกอบไปด้วยคนงามความดีมันก็จะเป็นเชื้อแห่งคุณงามความดีเพาะลงไปในจิตในใจลูกลานเยาวช น, นให้เป็นคนดีถ้าหากบุคคลเหล่านี้เป็นคนชั่วมันก็จะเป็นเชื้อไฟให้แก่ไฟชั่วลุกลามเข้ามาไหมจิตไหมใจ เอาง่ายๆคันน่ะครูบาอาจารย์ไม่ดีมันก็จะเป็นไฟบ้านที่เปิดโอกาสให้ไฟป่าคือความชั่วมาเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กแกลูกแก่หลานตอกเกลนมาแล้วสดชื่นบานเมื่อดอกไม้บานยามเช้าเมื่อดอกข้าเข้าบานเย็นกระลิบคึบครึบตั้งวงมันอยู่โรงเรียนให้ลูกให้หลานเห็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมดาเล่นไฮโลคูบาอาจารย์เป็นตัวเล่นเปิดอยู่ในโรงเรียนทะเลยทยอย่างนี้ก็เป็นอ่านว่า ไฟบ้านมีเชื่อให้ไฟป่าคือความชั่วภายนอกก็จังลังหลากไหลเข้ามาท่วมทับดับสลายจิตใจเยาวชนหัวหน้าครูอย่างหัวหน้าการประถมศึกษาถ้าเป็นคนชอบกินเหล้าเมายาสมทเลเทเมาเจ้าชู้มาหาครูบ้านนอกตามโรงเรียนมานนอกเข า, าจะหาเหล้ามาให้หัวหน้ากินหาผู้หญิงสาวรุ่นใจแปกสาวใหญ่ใจถึกแม่ไมใ่ใจปั่มที่ไหนผู้หญิงผัวเพอ้ออยากเป็นสาวที่ไหนเอามาให้นอนด้วย เพื่อจะได้ขึ้นเงินเดือนให้เขาสองข่านอย่างนี้มันก็เปิดโอกาสให้ความชั่วเขามาครอบงําจิตใจทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่นี่สําคัญสําคัญจะเป็นเชื้อไฟให้ได้อย่างดีที่สุดต้องดับต้องตุดไฟบ้านเพื่อต้อนรับไฟป่าไม่ให้มันเข้ามาให้บ้านใหม่เมือง เอวเด็กมาอบอรมดีแค่ไหนบันดีไม่ได้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ดีเพราะผู้ใหญ่เป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมจัดสภาพเป็นอยู่จัดสภาพชุมชนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าลดการชกมวยลงมาออกทีวีแม่ละมาเห็นด้วยแล้วคนจะไม่พอใจมันก็ไปด่าไปว่าเขาไม่เข้าใจว่าไฟมันอยามาไหม้บ้านการพนันไปบ้านไปเมืองดูรุกวันนี้จะให้ดีก็จุดหวยลอตเตอรี่รัฐบาลอีกชุดด้วย มันจะได้สิ้นจดกันไปอีกเปลาะหนึ่งโดยนี้ยังไม่มีรัฐบาลใดใจกล้าถึงขนาดนั้นเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้พระรงอฆ์เจ้าก็เหมือนกันทํำยังไงพระรงองค์เจ้านั้นจะต้องเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านผูกให้ฟัาทําให้ดูอยู่ให้เห็นถ้าเกิดพระไม่ดีไม่งามขึ้นมานั่นแหละจะเป็นตัวอย่างที่เลวสามเปิดโอกาสให้ไฟป่าคือมิจฉาทิฐิเข้ามาไหมไฟบ้านไหมจิตไหมใจของประชาชน เมื่อประชาชนเห็นพระไม่ดีไม่งามก็จะตีเหมาตีลวดกวาดเพียงว่าพระเหมือนกันไปหมดอาตามาเดินทุ ด, ดงไปต่างแต่อพันฟ้ากับพระทั้งหมดยี่ิบว่าลูกเกือบ3ามสิบเดินต้ต่างแต่บ้านผ่านอำเภอวานอนเขตวานอนเขตพังโคมเขตพลนาเขตกุดบากทะลุกออกเขตเข้าวงดงหลวง ไปเจอบางหมู่บ้านโอ้ยนะ่าสมเพชเวทนาบอกบงยี่ห้อว่าพระสององค์เจ้าเป็นตัวการที่ทําไม่ดีไม่งามจนชาวบ้านเอือมละอะไม่มีจัตตาโอ้บ่มีวัดพระสงอยู่ในวัดดัดมบบ้มีเสียไสให้จิตใจกะบกครองมีแต่แขนกระด่างบ่มีหูหอมทำน่าสงสารแท้ๆหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตอําเภอเขาวงดองหลวงและเขตอําเภอคําชะอีติดต่อกันบ้านใหญ่มาก ก็เดินมาเดินไปถึงนั้นนอะบ้านเป็นพันเป็นพันพันครอบครัวเลยไปบินทบาทมีวัดร้างๆอยู่วัดก็น่าอยู่ด้วยมีน้ํามีอะไรไรลอยู่ลีบห้วยไปบินทบาทมีคนใส่บาทสิบสองคนเหลือจากนั้นคนมาจังหันสามคนโม่บ้านใหญ่โตมีโทรพัศมีโอรถอุย้ยเยอะแยะไปหมดเลยอุดมสมบูรณ์แต่มีคนมาจังหันสามคนสามคนนั้นที่เขามาจังหัน พระของเรามีกันเกือบสามสิบวันนั้นได้ฉันข้าวกับกล้วยลูกๆวะสองคนแบ่งเปนคนละครึง่งแล้วก็เห็ดอีกคนละดอกฉันแล้วก็เดินข้ามภูเขาจากบ้านนั้นไปทางคําชียกว่าี่ทิศ ก, ก, กิโลแหมเดินได้ค่องตัวดีแล้วเดินกินข้าวกับกล้วยคนละครึ่งลูกกับเห็ดคนละดอกถ้าไม่จริงเป็นอย่างนั้นบ้านชาวพุทธเทพมีคนมาจังหันสามคนถามเขาได้ทราบข่าวว่าเมื่อก่อน พรรษามีพระมาอยู่ที่นั่นมีพระมาอยู่ที่นั่นแล้วก็บอกแหลกบอกงวยนัง่งพังในไซซัสทำเข่งเข่งคึ้มคืมคนก้นหลังไหลเข้ามาปากว่ามันไม่ทูกดอกคนเข้ามาในขนาดนั้นยังไม่พอช่วงหลังมาก็เขียนจดหมายไปหาสาวสาวหาศรีการักเธออยากนั้นรักเธออย่างนี้แล้วก็ไปกินข้าวแรงข้าวเย็นให้เขาเห็นชาวบ้านเลยเอือมละกอาเอาไปเอามาออกพันสาก้อน ชาวบ้านก็เลยคิดว่าพระในสมัยนี้มันก็มีเหมือนกันอย่างนี้หมด เ, เขาก็เลยหมดศรัทธากับพวกพระนี่พระดีๆก็เลยอยู่ไม่ได้มันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนชั่วทําลายซะแลว้วคนชั่วเป็นเชื้อไฟไฟบ้านมีเชื้อไม่ทางไม่แก่ไม่แพ้วมันก็เป็นเชื้อให้ไฟป่ามิชฉาชิฏิความเห็นผิดของชุมชนก็เกิดขึ้นเขาก็มองพระในอีกรูปแบบนึ่ง ลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าพิสุทธิั้งหลายจงกรําจัดออกไปลูกนอกข้คชังนักใจเสนีกระไรเรื่องเหล่านี้ก็เคยมีในพระไตรปิฎกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในอัฏฐานิบาตอังคุตในกายพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสามกัลันทวะสูตรว่าด้วยสมณะที่แล้วที่ขวนกําจัดเนท่านพูดไว้อย่างชัดเจน ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราประทับที่สระโบคารนีชื่อคัคคาไก่นครจำปาสมัยนั้นพิจุตังหลายเด็กโจรภิกษุหนึ่งมีอาบัตชั่วหยาบทําไม่ดีไม่งามโดยเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องแกก็เอาเรื่องอื่นมากบเกอนเป็นคนหน้าด่านทุบ ม, มังกรในที่สุดพระพุทธเจ้ า, าก็เดินเข้าไปว่าเรื่องอะไรกันพระก็รายงานท่านก็บอกว่าลูกพิจุตังหลายคนเช่นนี้ต้องขับออกเป็นลูกหนอกหอกวนใจอะไร ดูความคิดทางหลายบุคคลบางคนในทำที่ไหนนี่มีการก้าวไปการถอยกลับการคูเเยีย อ, ของเข้มเขมเลยการแลกการเลี้ยวการดื่มการลิ้นหนุ่งซาบงทรงจีบอลผ่าสังขารสิทรงบ้านกระทำเหมือนภิกษุผู้ดีเจริญเราอื่นเราดูแต่ภายนอกโอ้ยคือค <c oughs> ืออย่างในดนแดบนี้คู่นะหังองไ์อเป็นนี้ เสร็จแล้วในเมื่อพิกษุท์ตางหลายยังไม่ร AH. ู้อาบัติชั่วอยากของเธอเมื่อพิสษุทั้งหลายได้เห็นอาบัติชั่วอยากของเขาเมื่อนั้นพิกษุน์ต่างหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าคู่นี้ประทุษร้ายสมณะเป็นสมณะแปรสมณะอยากนี้ครับเป็นคนรู้จักแล้วอย่างนี้ทํำยังไงย่อมนาสนะไร่เขาออกไปให้คนข้อนั้นก็เหตุอะไรพราคิดว่าพิกษุนี้อย่าได้ประทุษร้ายภิกษุที่ดีๆเหล่าอื่นเลยดูกว่าพิกษุท์ตงหลายเปรียบเหมือนญาติชนิดนึ่ง ที่ทำลายต้นข้าวมีเมล็ดข้าวเหมือนข้าวรีบมีเมล็ดเหมือนข้าวตายรวงจึงเกิดขึ้นในนาข้าวที่สมบูรณ์รากของมันก้านของมันใบของมันอะไรของมันทุกสิ่งทุกอย่างก็เมือนข้าวดีๆเราอื่นทราบใดที่มันยังไม่ออกรวงแต่เมื่อใดมันออกรวงเมื่อนั้นก็ทราบกันว่าญานี้ทำลายข้าวมีเมล็ดเหมือนข้าวรีบมีเมล็ดเมือนข้าวตายรวงเขาทราบอย่างนี้แล้วเขาจึงทอนมัน พอมทั้งราดออกไปทิ้งให้พ้นจากนาข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะคิดว่ายาชนิดนี้จะได้ทําลายข้าวดีๆอื่นเลยฉันได้กดฉันนะั้นภิกษุทั้งหลายจงขจัดภิกษุที่เร็วเรวออกจากคํำวินัยออกไปอาตอมาพูดถึงความเร็วสูงเวลามันน้อยอยากจะให้ทันทั้งหลายเด้สราบในคําว่าญ้าชนิดนี้เนียไม่รู้จะแปลยังไงภาษาบาลีเรียก ว, ว่า ย, ยะวะยะวะ่ยยวะนี่แปลว่าข้าวแปลว่าข้าวธรรมดาเ น, นี่นะ แปลว่าข้าวธรรมดาถ้าวายวสาก็แปลว่าหญ้าหญ้าแห้งหญ้าที่สัตว์กินเรียกว่าอัญวยะเนี่ยแปลว่าหญ้าหญ้าที่ข้าวที่ทลายต้นข้าวอย่างเชว่ายาวทูียวะยวทูีาชาเยทะยวะ ป, ลปัลลโกยวะตะลันโตอย่างนี้ทั้งหมดเป็นภาษาบาลีข่านก็บอกว่าหญ้าชนิดหนึ่งมีต้นเหมือนข้าวบี ันดอกมีมีใบมีอะไรเมือนข้าวทั้งนั้นชาวนาเข้าใจว่าข้าวแปรพอมันออกรูมันแล้วมันเป็นข้าวเรมันเป็นข้าวแปรอาจจะมาแปรเอาเองว่าหญ้าเขานกไผ่บาทห่าว่าหญ้าเขานกมันเกิดบนข่าแล้วคึอเข่ากันบเบิ้งก็คักแม่นเขาก็คักถ้ามันเกิดมากๆแล้วมันก็ทําลายต้นข้าวให้เสียหายหญ้าเขานกภาษาบาลีว่ายะวะทูสีหญ้าที่เบียดเบียนข้าวอื่ทูสีคปัสุตละ ขอภัยไม่รู้จะแปลว่าอย่างไงฉบับอืมพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีที่แปลเป็นภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีประกรณ์กรุงลอนดอน mm. เขาใช้คําว่าคอนอบาลีคอนบ้างอย่างเทียมกันเดียว<อ>เขาบอกคอนก็แปลว่าเขาโพดธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าบาเลีอาตมาก็เคยไปปลูกที่แอฟริกามันก็กินได้แต่อยากเขานกเลยมันกินไม่ได้ได้อย่างเดียวคือให้ควายกิน ทิศูสในธรรมวินัย น, น, นี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบางพวกจะคู่จะเหยียดจะเพืน่นจะไว้จะก้มจะเงยจะดืม่มจะริมหนุ่งซาบ ง, งทรงจีวรของสัณฑ์ติทรงบาดการกล่าวการถอยการไปการมาอากับกิริยาสงบเสงีสงสงสงสง่ยมมือนธรระที่ดีทั้งหลายแต่ภายในเน่าในเปียแฉะมีความป่าทะน้าลามออกหิตใจโลเลมากเพราะด้วยความโลภความอยากได้ต่อเมื่อคนรู้แล้วจึงรู้ว่าโอ้นี่เป็นตมรมะแบบ เป็นจมระที่ใช้ไม่ได้เป็นข้าวที่ทำลายเป็นต้นข้าวผีท่านกล่าวว่าหญ้าข้าวผี อ, อุรยาบอกข้าวหวีท่านกล่าวไว้ตนหนังวางินทำสวยคนบอยาตามหีเกือดเดือดห่อนเมืองบานตบไปฟุ้งมูเท่าผ้าไทยทั้งหลายเห็นเหตุก็จึงทำเด็กให้เห็นหายตบต่างไปส่วนว่าลูกศรหมากใหม่ลูกศรทั้งหลายกับบ่เป็นตามกันดังเดิมดาผล บ้างพองตอนหนึ่งหนังเป็นหมากบ่ท่านกันงานหนึ่งทุกพ่อกินลนล่องเต็มพื้นนานหนึ่งหนังย่งอ่ง อ, อนกับพ่อมีเป็นจอจีต่างไปกันเลย อ, อันว่าพ้นหมากใหม่ในไพ่มีแต่ห่วงขั้นมาเป็นพ่วงขึ้นแล้วแม่งใหม่แกยำนี้ส่วนว่าดินและฝ่าพ้นลมกระบอกคองเป็นมลทั่วเถ่ามาแล้วกะเล่าหายฟุ้งบูน้อง บมหวยปูปลากับบอกแกนมันแห่งเกิดง่กแข็งบ่คือด่ามดังเดิมปลาก็ะเกิดเป็นหลกเป็นพะยต่างๆนาๆนาเ น, นว่าทำหน้าจาั่งสวนม่อนหัวให้คันมีผลกับมีบางเล็กหน่อยบ่พ่อเพียงทาเสมอบางแห่งมันกระหักแหลงฝนบ่ห้วยหั่นผลกระทำทั้งหลายบ่ซื่บานตายแหลง พ่อตะหยอดปองเขินหากอย่างล่องดินฝุงมาแล้งทั้งหลายก็หักมากินเกียงบางแห่งหนึ่งฝนตกดีเกินส่วนโจนว่าข่วมตัวเถ่าเสมอดาม่าดังทะเลบางแห่งหน่งฝนตกกลนทำหน้าแตนุกยิงข่างายบานหนึ่งหนักดินแหงในพงฝนไปลงห่าพืน้นก็ทุธาเกิดเป็นไงไปเช่นใดนี่จะห่อนดินแหงในละอองยุคนโบราณไม่พูดเอาไว้ในหนังสือเรื่องลำพื้นเบือง ไม่สามารถจะนํามาเล่าให้ฟังมากเกินกว่านี้เวลาเราไม่พอเป็นนั้นว่าปรากฏการเหล่านี้คนโบราณได้ทักทายไว้แล้วสินทาส่วยคนเบยําตามนี้เกิดเปรตหอ น, หอนเมืองบาดต่อไปผู้งมูเท่ผ้าไผ่ทั้งหลายเห็นเหยียดกัจึงทำเดบกหาเป็นหายต่างไปฝ น, นตกมาเกลืน้ําท่วมบ้านกระทุนปักใต้ตบ้านเราตายกันตั้งสามร้อยสี่ร้อยโอ้โหภูเขาพังทลายแหลมสลบซึ่งมันไม่เคยจะเกิดจะมีในประเทศไทยเรา นั่นเพราะอะไรไฟบ้านมีเชื่อให้ไฟป่าลามคือความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวของบุคคลบางคนที่มีอํานาจวัตนาอภิสิทธิธ์อิทธิพลใช้อํานาจวัตนาอภิสิทธิ์อิทธิพลนั้นทําร้ายเบียดเบียนรำมชาติกอบโกยเอาผลประโยชน์ใส่ตนเองแต่ก่อนอาตมาเคยไปอยู่ปักใต้นะครชื่อธรรมาราชบ้านเราแถวจันทีแถวนี้เคยอยู่มาแล้วเมื่อสิปีก่อนฟ้อนตกยิ่งวันนี้ ฝนตกเจ็ดวันแปดวันเป็นสิบวันทิบคืนก็มีน้ําไม่เคยท่วมเึงขอนนหนาหนี้แผ่นดินไม่เคยพังทลายภูเขาไม่เคยพังดังนี้ข้อแต่ก่อนมีป่าดิบดงดําหุบเขาป่าพงดงดอนต้นไม้ภูเขาอุ้มไม่เคยทาลายแต่เดี๋ยวนี้ตกเพียงสี่วันเท่านั้นน้ําท่วมบ้านกระทุ่มภูเขาพังละลายทับอย่างทรับน้ําตากันไม่เหือดไม่แห้งเกิดโซกอนาจะจำทั่วทั้งแผ่นดินสงสารพี่น้องชาวปักป้าเราเลือเกินเห็นไหม เรารู้ร อ, อย่างระวันนั้นคืออะไรนั่นแหละไฟป่าไฟแห่งความโลภโลภคิดโล ร, ราคะคิโทสักคิโบหคิไฟคือโลภไฟคือราคะโทสะโมหะที่มันไหลท่วมทับเข้ามาไม่เจ็บไม่ใจจนมาเดือดร้อนคนอื่นด้วยแต่ความนั้นไม่เป็นถึงขนาดนี้นี่คืออะไรนี่คือความเจริญก้าวหน้าของวัตถุของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งคนที่สร้างวัตถุเทคโนโลยีมานั้นเขาสร้างมาด้วยความปะทะนาดีแต่คนที่ใช้วัตถุใช้เทคโนโลยีที่ขาดศิลธรรมดังที่ไอสไตน์คนที่เป็นเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพสร้างระเบิดปรมาโนขึ้นมาเป็นต้นสําหรับนิวเคลียร์อยู่ทุกวันเนี่ยแกได้พูดเอาไว้แกบอกว่าชะตากรรมของโลกในอนาคตโ น, น้น the f o r c e of the world of the next future แกบอกว่าชะตากรรมของโลกในอนาคต of the future The of ฟส e อ o โด o n e s of the future แต่ว่าชะตากรรมของโลกในอนาคตมัน depend on strength, more than strength d on more than force ชะตากรรมของโลกในอนาคตนั้นจะต้องอยู่ที่ความมั่นคงทางศีลธรรมความแข็งแกร่งทางศีลธรรม more than force force ตัวนี้แปลว่ากำลังควบคุมทางศีลธรรมถ้าศีลธรรมยังแข็งแกร่งยังควบคุมจิตใจของมนุษยชาติได้ มนสุสเรชาชาก็ยังยอยู่เย็นเป็นสกโลกจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าหากขาดศิลธรรมความควบคุมทางดานจิตใจความมั่นคงแข็งแกร่งศิลธรรมในจิตในใจไม่มีเมื่อนั้นโกแกรเป็นจนมหาจนเดียวนี้ได้ยินว่าทั้งสองข่ายทั้งคอมเบนิสและโลกแสลีต่างก็มีขีปนาวุธไปหัวลบจ่อคอห้อยกันอยู่ข้างแล้วไม่น้อยกว่าห้าหมื่ได้ยินมานานแล้วห้าหมื่หัวลบเดี๋ยวนี้มันจะสักเท่าไหร่ ถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่อนแอลงทางควบคุมทางจิตใจไม่มีโบรลนฟอสต์ลงมาเมื่อไหร่แล้วก็กดชึ้กชึ้กชึ้กมันก็แสรจกันทําลายโลกนหฮะแหลกเป็นจุนมหาจุนได้หลายร้อยรอบนี่เห็นไหมเดี๋ยวยุคพุทธเต็นเองยุคกดปุ่มแล้วค่อยจะต้อมาคิดดูให้ดีๆมิฉะนั้นแล้วโลกนี้กจะแหลกเป็นจุนมหาจุนได้ง่ายที่สุดสหัชขาศีลธรรมศีลธรรมตัวนี้แหลเป็นเชื่อทําให้ศีลธรรม ละเริ่ลกเือนขึ้นมาได้ก็คือจัดการกับเชื้อภายในเพื่อไม่ให้เชื้อภายนอกเข้ามาระบบแอนตี้ไบโอติกจัดบุคคลที่ไม่ดีไม่งามในระบบนี้ออกไปป้องกันออกไปต้องตื่นเนื้อตื่นตัวช่วยกันถ้าหากเรายังสามารถควบคุมระบบให้มีศีลธรรมอย่างดีงามขึ้นมาได้ความโหดร้ายทารุณศก็น่าจะจำพี่น้องชาวบ้ากนกระทูนของเราจักไม่เป็นเช่นนี้ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆมากๆเราใช้เทคโนโลยีนั่นมันเป็นโทษมันไม่มีศีลธรรมมาควบคุมไม่มีโมรรนเส่โมเรนฟอดอย่างที่อาสตร์แกพูดเพราะอะไรแต่ก่อนนน้นต้นไม้ใหญ่ ๆ, ๆก็ไป่ทำอนไรนเจ๋งมาก็ดีก่ อ, อนเรามันอักเสบทีนี่ ในสมัยก่อนโน่นตาเด็บดงดําคนจะไปโค่นต้นไม้ต้นหนึ่งเขาก็บอกว่าต้นไม้ใหญ่มีผีจงไปเส็ตไปไหว้ขอซะก่อนแล้วก่อจะนี่จะโค่นลงได้ไแต่ละต้นใช้เวลาเป็นอาทต่องไปคาดห่างขึ้นไปเอาเลื่อยมือตัดไปจอกลิ่มโอ้ยกว่าจะเสร็จได้มันก็ทําลายกันชาเอาช้างลากลงม า, มามาเลื่อยมาอะไรกันเดี๋ยวนี้ เครื่องจกกักรอนทันสมัยเทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องเครื่องจนเรื่อยเลื่อ ย, อยมือเรื่อยเครื่องตัดต้นกล้ก็วันหนึ่งตัดไปร้อยเป็นพันท่อนก็ได้ต้นไม้ใหญ่ๆวัดรอบสี่ร้อยเซนติเมตรสามร้อยเซนติเมตรนี่วันละไปร้อย้อยท่อนก็ได้ใช้เครื่องเลื่อยและไม่ต้องใช้ช่างคนยากหักเออบุกขึ้นไปลอยบนภูเขา ปาดทางขึ้นไปให้น้ำมาท่วมมั่งกระดูนในง่ายๆแล้วก็ไปทํารานไม้อยู่ข้างบนเอาไม้มารวมกันแลงเยอะเ้ยค่้เตอะเลยลกมารวมกันพอดินแห้งมากก็ลดสารอีเทเลอร์ขึ้นเป็นลากถานนพังชิพหายไวบอทพิกัดน้นําหนักสักยี่สิบตันปาดก็ไปตังสามสิบสี่สิบตันเอาสองขายัดเบิกทางเข้ามาเลยนี่มันกินด้วยกันเป็นฟุงฟ้งๆไปเลยมันกับชิพหายไวบอทมันขาดการควบคุมทางด้านศิลธรรมเห็นไหมแผ่นดินทอห้อยไก่ต้นไม้ทอล่าเทียน ขนทางอ่ซิปเพื่อนเต้าเพื่อนมีควยตูดตัวหนึงห่งขนทางซิปขึ้นเต้าขึ้นที่ห่อเป็นข้ามืน <c oughs> เดี๋ยวนี้ต้นไม้เท่าลําเทียนเอาใส่รถเทล ER รลเลอร์ซาลี่สิบล้อยี่สิบล้อต้อนดูงจนยาง ใ, ใหญ่ๆมือนกับลําเทียนเอามาเป็นซิปซิปแต่น้นขนทางทางชิบพายหวายบอดขนทางซิปเพื่นเต้าขึ้่อนห่อเป็นข้าวมืนนี่คือเทคโนโลยีที่เก้ดมามีบท บ, บาททําลายมนุษยชาติตหากไม่มีศิลธรรมควบอมมอลันฟอร์สอย่างที่ อาสายแก่พูดเราจะต้องมาจัด ก, การกับสิ่งเหล่านี้คือความเห็นแก่เมื่อแก่ตัวดังกล่าวแล้วเมื่อมนุษย์ชาติมีความเห็นแก่เมื่อแก่ตัวทําลายทุนแต่ละกันลุญญภาพธรรมชาติมันก็เสียหายย่อยยับนั่นที่คนโบราณท่านบอกฝนฟ้ามันไม่เหมือนเก่าวเทวดาเทพาไทยทั้งหลายเห็นเหตุกระดิงทําเดชให้เป็นหายต่างไปดังกล่าวแล้วบางครั้งต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเอิงหนึ่งเป็นลูกสุกแล้วเองหนึ่งกำลังออก มันกินกําลังเป็นดอกเงี้ยมันไม่สม่าเสมอเ น, นื่องจากดิน้าอากาศมันวิปริตแปรปวนทีนี่การพ่อปูกอะไรลงไปในดินเนี่ยเป็นพ่วงคืนแล้วไม่งไม่ไมแกย่าํานีส่วนดินแล้วฝ่าฝนลม่มเพคือเก่าเป็นมลทูดเถ่ามาแล้วกระเหล่าเฮยมันจะไม่มีมแมลงได้อย่างไรมแมลงไม่มีที่จะกินเดี๋ยวนี้ทําลายป่าแต่ก่อนมันกินใบไม้ใบหญ้าตามป่าตามเขาทํานาเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรจะกินคนไปทําลายหมดไปยื่นเป็นทะเลท่ายปูกอะไรมามันก็จะกินอันนั้นแหละ แต่ก่อนพวกบ้องพวกน้อนพวกอะไรนี่นกเรามีมากมันก็มาตินบวกบ้องพวกน้อนนี่กินมอดกินแมงช่วยกระจากเดี๋ยวนี้นกเราก็ไปยิงมันกินหมดซะนกก็ไปยิงมันกินหมดไอพวกนอนพวกบ้องมากินข้าวกินพืชที่เราปลูกไม่มีอะไรมาช่วยควบคุมนกเหล่านี่นอนเหล่านี้นกตายไปหมดแล้วพวกนอนพวกบ้องมันก็จะเลิญแฮปปี้นิวเยียของมันมันก็มากินทิงที่เราปลูก ส่วนไม้อื่นจะกินก็ไม่มีนี่มันเป็นอีทับปียตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแต่ก่อนเรามีแล้วมีนกเข้ามีอะไรมากินหนูกันทั <c oughs> ้งมื่อคืนเดีวนี้เราใส่ตองบานใส่ดังบานเรายิงแล้วยิงหนูยิงอ่ายิงแล้วพวกนี้ไปกินหมดเราไปยิงเหยวกินหมดไปฆ่านกเข้าแมวนกอะไรหมด หนูก็เลยแพร่พันหนูนาะกินข้าวที่พายไม้บอ่อดเอาแล้วเสร็จทีนี้เราก็เอายาไปเบื่อมันเอายาไปฉีกข่าม้าแรงข่าบุ้งข้าวไม่ดีใส่ปุ๋ยเคมีไปมันก็เกิดเป็นกบทขึ้นมาทีนี้กลายเป็นเชื้อโรคอีกชนิดหนึ่งเป็นไรอยู่ในน้ําเกิดมาจากกดที่เราใส่ลงไปในดินในหญ้าในปุ๋ยในยาข่าม้าแรงนนเนื้อนี่ อาไามาฝงงแมงบมดใหม่ก็เกิดมีผิดคนตายทั้งหลายเกิดมีมาพร้อมกินมากหอยก็ปวดหัวต้องไปดูดเอาน้าหอยออกไม่งั้นปามื่อตาโมตาจะบอดแต่ก่อนเอามาค้อยจะหมดแดงแสบแฉะเดี๋ยวนี้ทํำไมมันเป็นพิษ เ, เป็นภยัยไปหมดมันเกิดมาจากกดเคเบลต่างๆที่เราใส่ลงไปในน้ําในหยาได้ข่าวในปุ๋ยที่เราฉีดตรงไปที่เราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วมันก็เกิดเป็นกดอีกอันหนึ่งที่ภาษาอังกฤษเขาบอกกรดลิมิโน กดอะมิโนกดดีเอ็นเอดีสโบร์นิเคิอะไรต่างๆพวกนี้เป็นตัวเชื้อายจุลินทีในน้ำมาไปกินปลาไปกินปลาตามเกต็ตามอะไรปลาก็เป็นบาดเป็นแผลเวอะว่าอาคนก็ไม่กล้าจะกินย่านตายตัวไหนเป็นแล้วก็ตัวอื่นไปไ ป, ไปอีกตายลองไปพวกปาลปาไหลปลาหลดอยู่ในน้ำก็ไปกินตัวที่มันตายก็ไปเชื่อไปอีกวายเอียนก็ยังเป็นพยนดผายาเนี่ย นานาโลคโตวานานาอุปทวาโตวาพระบุตรเจ้าทันต์ขนสวดอยู่ในรัตนสูตรนานาโลคโตวาโลกทั้งหลายนานาอุปทบาโตวาอุปเทวะการขัดแย้งทั้งหลายมันเกิดเทวดาฟ้าดินนั้งก็ทนไม่ได้เป็นอย่างนี้บานบานแห่งก็แรงกินเหลือเกินที่บอกว่าพ่อปลูกอะไรลงมาเนี่ยมันไม่สวยไม่งามมันมันมันมันมันมีแมลงมีพิษอะไรมันมากัดมากินพ่อปงหยอดเขินหากอย่างลงดินฟูงมุม มาแล้งทั้งหลายกระหับมากกินเกี่ยงบางแห่งนั้นฝนตกดีเกินส่วนจนวัถวถ่วทั่วเขา่าเสมอดาบดันทาเล่ดังที่บ้านกาทูนของเราที่เป็นไปนะั้นนี่คือที่ปริแปลปวนทางธรรมชาติมนุษย์ไปเบียดเบียนธรรมชาติโจนธรรมชาติต้องมาตบหน้าเข่าให้ตัวธรรมชาติเป็นอย่างนี้เราต้องจุดไฟบ้านรับไฟตาความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเกิดขึ้นกันมากขึ้นดีูนี่ เมื่อเห็นแก่ตัวมากทำอะไรก็จ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบกันมึงใครยาวสาวได้สาวเอาเมื่อเทวดาโกงนะพระสองฆ์องค์เจ้ากกโกไปด้วยเดี๋ยวนี้ ดังกล่าวแล้วอาตจมาพวกว่าแม้ที่จะไปยืมเงินเกษตรก็เรามาหัดตัวหัดโกหกันอยู่ทั้งเจดวันถึงแล้วเอามายืมมาซื้อโทรทัศน์ก็จะได้เล่นมวยสูสัยสบายเอามายืมซื้อเหล็กซื้หวยเอามายืมใช้หนี้คนอื่นแล้วก็ไม่มีเงินใช้เขาไปเอามาเขาลงรูปแล้วเขายึดไลยึดนาเขาหาว่าเขาโหดร้ายพอไปยืมเงินของเอกชนยืมพี่ยืมน้องร้อยละสิบก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนี่เขาให้ถูกรู้แล้ว พระรงองค์เจ้าเราก็เหมือนกันห้าทีตัวโอหกหกลมไปอบรมทรมาทูดมาเสร็จเรียบร้อยทรมาทูดไปบอกผู้บอกข่าวแห่งคำเขาให้มาอบรมประชาชนประจำห ม, มู่บ้านประจำตำบลเดิม้าไปหาประชาชนยะมาโมนนอนรอรับอาราธนาตื่นกระทาเดี๋ยวนี้ โลกยารลินเกาหน้าวิทยาศาสตร์กาบไปไกลเศรษฐกิจบีบคั้นจิตใจชาวบา้านล้งสู่ฝ้าหน้าสู่ดินปางกรตินที่บาแบคล้งนุ้นจะให้เขามาฟังเทศที่วัดเขาไม่มาแล้เดินเข้าไปหาเขาโง่บ้านในเวลากลางคืนถ้าจะไปเขาก็มีรถทางอำเภอทางอะไรมาช่วยไม่ไปกลัวแต่จะเสียเงินกลัวแต่จะเนื่อยบอกว่าไม่มีงบประมาณอ่าดมาเทศทุกวันนี้ไปชั่วประเทศเดี๋ยวนี้คิวยาวเหยียดจนถึงเดือนพฤษภาคมแล้ว ไม่มีรถรขี่รอเขามารับเอาเองสบายอยู่เดี๋ยวนี้การไปการมามีเรี่ยวมีแรงทําไปเถอะทํางานเพื่อศาสนานี่ไม่ไปไ ป, ไปอบรมธรรมทูตมาแล้อยากแกได้เป็นเงินอยากแกได้แต่เงินเงิ น, ง น, งน ท, องทองทองนั่นแหละพอถึงเวลาจะทํางานจะส่งรายงานไปกระทรวงไปกรมการศาสนาจะขอตําแหน่งพระอูอุปชาเยะเมฆชีตัวหัตัวไว้อยังดีสอบอย่างดีนอนเขียนหนังสือเปเปอร์เวิร์กทำงานกระดาษ วันพระนั่นเดีไปเทศบาทนั่นอบรมประชาชนบาทนั่นมีคนมาฟังเท่านั่นบูชายเท่านั่นปู่ยิ่งเท่านั่นเลิกสูบบุหรี่ไปเท่านั่นคนเลิกเคี้ยวมาไปเท่า น, านั้นเลิกกินเหล้าไปเท่านั่นวันพระนั่นเดีไปเทศบาทนั่นอบรมคนเท่านั้นเลิกสูบบุหรีเร่เท่านั้นเลิกกินเหล้าไปเท่า น, านั่นโอหกไปแต่ตนเองผู S 2> <S 2> <S ้ที่พูดนั้นน่ยยังสูบบุหรี่ปุ้ยปุยปุยอยู่อย่างนั้นเดี๋ยนี่พระเป็นแชมป์สูบบุหรี่เขามีสถิติในประเทไทย คนที่สูบบุหรี่มากพระอันดับหนึ่งของเชมขี้ยาต่อมาก็ครูต่อมาก็หมอชาวบ้านธรรมดามีจำนวนมากใครคิดเป็นสถิติแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หลักมากดีทั้งหลายเขาเลิกกันแล้วนะบุหรี่เนี่ยถ้าสององจากก็ควรจะเลิกไปแล้วยาเสพติดเวลาสวนปฏิสันธโยน้ำมันธนายนานวีพูธนายะไม่กินไม่บริโภคเพื่อ ป, บบประดับจแต่นีสูประดับ สูบตกแต่งเฉยๆดอกมันไม่ได้จําเป็นอะไรแก่ชีวิตแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกด้วยว่านั่นมันเป็นอัศธาเดือล่อในใจิตใจให้ลุ่มหลองพระพุทธเจา้าบอกว่าเมื่อใดยังไม่รู้อัสสาะคือเยือดล่อรสอร่อยไม่เห็นอาทีนามะโทษของมันที่บีบคั้นใจแล้วก็ไม่รู้จักนิสระนาทางออกจากมันเมื่อนั่นก็อย่าไปปฏิญาณว่าเป็นนักปฏิบัติเลยเดี๋ยนี่โลเป็นครูบาอาจารย์ชื่อดําสูบบุหรี่เหมือนกินหมากทั่ว ลักษณะเช่นนี้มันอะไรกันชาวบ้านเขาก็เลิกได้แล้วฮาสององค์้ายังต้องเป็นทาสสิ่งเหล่านี้นายคริสมาฮามเฟยนายยกพุทธสมาคมประเทศอังกฤษมาประชุมพุทธศาสน้สัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศไทยเขาเห็นคนไทยแต่งขันหมากแต่งยาไปถวายพระในที่ประชุมเขาบอก w ว่า is t h นี่อะไรเราบอกบอกว่านี่บุรี เอาไปให้ใครให้พระเขาบอกอะไรพระยังสูบบุหรี่ชาวอเมริกาชาวอังกฤษแม่้ได้เป็นชาวบ้านถ่าถือศาสนาพุทธแล้วเขาเลิกกันทั้ง น, นั้นสิ่งเหล่านี้ลูกศิษย์อารามาที่เป็นฝรั่งอยู่ที่นี่แกสูบกัญชาสูบบุหรี่สูบอะไรเป็นฮิปปี้มาที่นี่จะม า, าพาวฝึกต้องเลิกหมดทุกอย่างกินข้าวกันละครเดีงยวอย่างเนี้ยฝลั่งเขาก็ทําได้บอกดีใจกลับบาท การตายการมาเดี๋ยวนี้แจ้งมาจะมาอีกเป็นจํานวนมากมาฝึกและมาที่ภาวนาแต่พวกเราผู้เป็นพระเลืองๆอย่างเป็นตัวอย่างแล้วไปเขียนรายงานยกเมฆวาไปเทศ้อนมานั่นเลิกสู้บุหรี่เท่านั้นเลิกกินเหล้าเท่านั้นและตัวเองก็อย่างสู้อยู่นั่นแล้วก็ส่งไปลรายงานไปอย่างกระทรวงไปค อ, อความดีความชอบได้เป็นเจ้าคันได้เป็นพระครูเป็นอุปชาอะไรต่างๆหลังนี้โอ้ เต็มไปด้วยการโกหกคกลมกันทั้งนั้นจึงมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้พูดอะไรขึ้นมามันต้องหามแล้วขณะเช่นนี้หานยังไงคือหามันมันไว้ใจไม่ได้ว่ามันจะจริงสักแค่ไหนคนอื่นก็เหมือนเราเราก็เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ความเจริญรุ่งเรืองในบ้านในเมืองของเราก็ต้องมาจุดไฟบ้านรับไฟป่าทิ้งไหมมันไม่ดีไม่งามช่วยกันแก้ช่วยกันไขอย่าเข้าใจว่าที่พูดนี้เป็นการด่าจาบจ่วงรุนแรงแข็งก้าวไม่ใช่ ที่พูดนี้ด้วยความรักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฝูงรักพระศาสนาพูดไปพูดมาวะบมยานตายบอกล่าตายเซามีแหงถ้าเกิดใครจะมาฆ่ามาแกงก็เอาโลโลโหมิไว้ตรงนี้ไม่มีเบนมีภัยให้แก่กันแหลกกันตายก็จะจายเซามีแหงถ้าหามีชีวิตอยู่ก็จะพูดเพื่อประศาสนาเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อเพื่อนเพื่อฝุงเดูอนนี้เรากําลังตะโกนกันอยู่บอกบอกบอกปีการี่ปีช่องเชี่ยวไทย วิซิไทแลนด์เยียววิซิไทแลนด์เยียภาษาฝรั่งเขบอกว่าท่องเที่ยวไทยปีแห่งการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอดูเงินจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยปีนี้คือหากันบอกปีแห่งนิกนิกมันจะคาว่านิวรีอินดัสทรีคันทิ่แปลว่าประเทศอุตสาหกรรมใหม่ประเทศไทยมันจะเป็นนิกปีการนี่ปีท่องเที่ยวอาดมาบอกว่าปีการนี่ท่องเที่ยวปีนี้ปีแห่งเอ็ดมันจึงจะถูกไม่ใช่ปีแห่งนิก เราต้องการเลิกเกินเรื่องการท่องเที่ยวต้องการดูดเอาเงินต่างประเทศเป็นควงหายเป็นดีมีกาเห็นดานดาวดงกว่วงวาวหน้ามาแป็นคนโบราณบอกโอ้จัดสงานที่เรื่องลมตะลับฝรั่งบ้างค่ะแบมาชื่อเสียงเมืองไทยเละไปหมดเลยเมืองแห่งโซเพนีเมงเมืองแห่งการฟีแซกโกอะไรตัวอะไรต่างๆโซเพนีหญิงโซเพนีเด็ก อายุสิบเอ็ดสิสองสิบสาปีกลายเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศไทยค้ายขี้หน้าที่จดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนี่คือระบบะเสรีธรรมของเราเดส่ยา ม, ามจนมองเห็นความชั่วเป็นความดีทั้งบางแห่งนั้นทางภาคเหนือเดือดสาบว่าค้ายลูกสาวกันเป็นธรรมดาถ้าลูกสาวคนไหนไม่ยอมไปไปแล้วหนีมาพ่อแม่หาว่าเป็นลูกในละค น, หนเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นด่านดาวดงกว่งว่าแปร มันที่ขายลูกสาวมีโทรทัศน์มีวิดีโอมีอะไรอยู่ได้เงินพอการขายหลอกสาวไม่ได้มีความยากจนอะไรแต่เป็นค่านิยมอย่างนั้นแล้เมืองไทยเรามันก็เสียหายตีแห่งการท่องเที่ยวฝลั่งมาค้าทุกมุมโลกมาเมืองไทยก็เพื่ออันเดียวหนาหนาข้าวเอาไปเอามาปีนี้จะต้องเป็นปีแห่งเอ็ดอีกถ้าปรียตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นโลกเอก็อ้เอเอเอ่นี่มันคืออะไรอยากจะพูดให้เข้าใจเอเเป็นภาษาอังกฤษตปลว่า ช่วยช่วยช่วยโรคเอดนี่เป็นโรคที่ช่วยให้โรคอื่นกำเริบขึ้นมาได้ทุกโรคทำลายอิมมิวเนตี้ภูมิต้านทานในร่างกายเดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะพูดให้ชัดๆลงไปว่าเอดที่มันยิ่งไปกว่า น, นั้นก็คือสตุลิชเชนเอดลูกศิษย์ฝรั่าพอใจมากอาตมาเทศกันนี้เทเรื่องสตุลิชเชเอดคือโรคเอดทางวิญญาณ เข้ามาทางตาเข้ามาทางหูเข้ามาทางลิ้นเข้ามาทางกายเข้ามาทางใจเข้ามาทางจามูกตาเห็นรูปพอใจขึ้นมาเมื่อเกิดความพอใจเป็นปัญหาเป็นอุปหานเป็นพบเป็นชาติในจิตใจก็เป็นทุกข์เดียวยินเสียงดาไม่พอใจกาะเ็นทุกข์นี่เอตเอตเข้ามาให้เกิดช่วยเกิดความทุกข์ทางตาช่วยเกิดความทุกข์ทางจามดกช่วยเกิดความทุกข์ทางหูช่วยเกิดความทุกข์ทาง ลิ้นเคยเกิดความทุกข์ทางกายทางใจมันก็มารวมในใจหมดเลยเรียกว่าเออี่มันมาทางตาทาหูทางใจโบกหาลิ้นทางกายทางใจถ้าหากเราไม่มีสติพอเห็นรูปสวยๆเห็นโทรศัศน์ดีๆทางตามันก็เอทเข้ามาทางใจอยากได้และโว่จงไปยืมเงินเกับเอทมาซื้อโวยอะไรต่างๆเอารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ออกมาเอทอีกแล้วมองเห็นรูปมันสวยๆเอทคือช่วยเข้ามาทางตาให้ใจอยากได้เป็นโลก คำว่าโรคนี่มาจากภาษาบาลีว่าโรคะแปลว่าซี้แยแคงจิตใจให้เราล้นพวกเราเข้าใจโรคไี่น้อยไปโลกก็เข้าใจว่านู่นเป็นโลกปวดหัวตัวท้องเป็นโลกตับโลกไตโลกมาเลงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตีความหมายโลก่างนี้โรคโรคโรคมาจากภาษาบาลีวโรคะภาษาไทยยังไม่แปลภาษาไทยก็ว่าตามบาลีว่าโรคพระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าโรคให้แปว่าโรค คือใจที่มันเล่าหลอนโรคหมายถึงสิ่งที่มันแทงใ จ, ใจิตใจเพราะฉะนั้นโรคเอกเห็นทางตา ก, ก็มาแทงใจถ้ามันสวยกว็แทงให้ใจอยากได้ถ้ามันไม่สวยกว็แทงให้ใจเกลียดถ้า ม, มาทางหู ก, ก็มาแทงใจถ้าฟังไพ่เลาะก็แทงให้ใจชอบอยากได้อยากได้ยินยังได้ฟังทําไมไพ่เลาะเขาดา ม, มาทางหูได้ยินแล้วก็มาแทงใจให้โกรธให้เกลียดนี่โรคเอกมันเป็นอย่างนี้ พวกเราเข้าจะโรคน้อยไปโรคพยาษาบาลีไปว่าซสียแทงจิตใจส่วนไอ้ที่เราเจ็บปวดตามแข่งตามค้าตามเนื้อตามตัวตามหัวตามท้องเราเรียกว่าโรคปั๊บโรคไปโรคอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าพยาธิพยาธิธรรโมหิพยาธิงอันันติตโรเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาที่เราพูดแต่พวกเราถ้าพูดถึงพยาธิก็นึกถึงพยาธิเสมหอพยาธิปากคอพยาธิเส้นด้ายตัวก้มตัว ตัวแบนฮุกเวิร์มลิงเวิร์มเทพเวิร์มดิฝรังฝงฝ่งก็ผุดมันเลยไปคนละเรื่องมันคนละภาษากันนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโลกนี่เจตสิโกโลโโหโลกอันเกิดทางจิตพุทธเจ้าทนไหวเงินเยืพิฆเเวเยืพิฆเเวเจตสิโกโลโโหดูามมิจฉ<ล>ุหายโลกที่เกิดทางจิตนั่น พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัตตาทุลภาโลกัสสังิงสัตว์ในโลกนี้หายากที่จะไม่เกิดโรคทาง น, นี้คือโรคทางจิตนี้โมหุตัมปิอโรคังปฏิชานันติแม้ชั่วขณะเดียวก็ไม่มีผู้ที่จะไม่ผู้ที่จะบอกว่าไม่มีโรคในจิตนี้โมหุตัมปิอโรคังปฏิชานันติโมหตัมปิแปลว่าชั่วขณะหนึ่งอโรคณังไม่มีโรค ปฏิชานันติปฏิญานมาชั่วขณะหนึ่งไม่มีโรคทันจิตนี้ไม่มีพระอุณายาบอกไม่มีอัญจัตระขีนาทเวหิ น, นอกจากพระขีนาสพพระอริยะเจ้าผู้ทําลายกิเลสให้สิ้นไปนั่นอาจจะมีโรคน้อยถ้าทําลายจนเป็นพรอรหันก็หมดโรคเลยเพราะนั้นเข้าใจกันให้ถูกสมัยว่าโรขยาปรมาราพาไม่มีโรคเป็นลาบยามยิ่งหรือความเป็นพระอรหันโน้นไม่จะโรคปวดหัวปวดเจ้าพระอรหันก็ปวดเป้นตายเป็นเหมือนกัน ตาบอดก็มีอย่างพระจักรบาล น, นั่นอันนั้นทำไมเรียกว่าโรคเขาเรียกว่าพยาธิเรามันเข้าใจกันผิดแคบกันเหลือเกินขอให้เข้าใจกันใหม่คําพูดเหล่าเนี้มันยังไม่พอครับมีโอกาสจะได้พูดกันให้มากยิ่งกว่านี้เดีย๋ยวนี้เราพูดว่าปีแห่งนิกอาจะมาบอกว่าปีแห่งนาะจะมากกว่านิก ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ดี๋ยนี้เราวิ่งเต้นตะเลิะทลาอยากจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่โอ้ยมันยังไม่ทันเขาคนในประเทศยังไม่พัฒนาไปรับเอาใ่เทคโนโลยีทันนอกตอนเองทำไม่ได้ไปบูชาวัตถุมีนี่มีสินท่วมทมในจิตในใจใมันนิกได้เขียงยี่สิบคนเท่านั้นคนนี้เป็นเจ้าของธนาคารตระกูลใหญ่ๆเจ้าของธนาคาร ต่างๆที่มีเงินให้เรากู้ที่เอาเงินไปฟาร์มเมืองนอกมากๆเจ้าของกิจกรรมใหญ่ๆมีไม่เกินยี่สิบคนในประเทศไทยเคยใหญ่ๆนอกนั้นอีกห้าสิบล้านคนมันไม่เป็นนิกมันเป็นนอกมันเป็นหนี้เป็นสินกันหมดชิบหายมาว่าประเทศจะล้มละลายและจะมาบอกว่าเป็นนิกเหมือนกับเป็ดจะขึ้นนอนบนคอ น, นําไก่ที่คนโบราณว่าโอ้ยสงสารเป็ดเด๋อยาก น, นาั่งข้่อนไปตีนเป่นเปือตีนเป่นเปือตีนขิ่นตะวันลุ่งวะท่านทำท่าจะเป็นนิก มองดูคนในประเทศของเรายังไม่พัฒนาจิตใจญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่เจริญนั่นแพ้สงครามโลกเขาเจริญเพราะเขาพัฒนาคนคนก็เข้าปายัดคนก็เข้าใหม่ฝุ่มเฟื่อยคนก็เข้าขายันคนก็เข้าใหม่ครบคนชั่วเป็นนิตรพม่ยเล่นด้านพระนั้นมีธรรมะที่เรียก่าทิฏฐะธรรมิกะฏประโยชน์ของพุทธศาสนานั้นในจิตในใจอย่างล็กเตอร์ไดเซ็ตุสุกิทาเทโล่แก่บอกว่า ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเอาศาสนาพูดออกไปคือรัที่องเซนต์นั่งออกไปแล้วเขาก็จะไม่เป็นญี่ปุ่นที่จะเริ่มรุ่งเรื่องที่ร่ำรวยเป็นญี่ปุ่นที่อ่อนน้อมถ่อมตนยอมแพ้ใครก็ได้ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนสารภาพอย่างผิดาอย่างนี้ เขามีผู้ศรัทธาในจิตในใจไม่จะมีอยู่ในวัดในวาไม่ใช่มีอยู่ในพิธีรีตองเหมือนพวกเราพอคนตายทีก็ขอสินกันเป็นห้าครั้งขึ้นไปสวดบ้างก็มาอย่างพันเตวีซุ้งวีสุ้งแล้วคณะทายะพอไปถึงป่าช้าก็มาอย่างพันเตวีซุ้งวีซุ้งขึ้นมาสวดมองคนตยเด็กก็มาอย่างพันเตวีซุ้งวีซุ้งคนตายทีหนึ่งข อ, อ, ขอสินกันขอแล้วขออีกห้าขนหกข น, ขนแล้วก็ไม่เคยมีสินมีทำเมาเพยังขอให้ตายมาเถอะ ตายถือเจ้ามือไฮโลก็ถือถ้วยไฮโลไปแล้วได้ยินเสียงทรอรีกันแพลงเน่งเน่งเน่งเน่งเน่งเน่งเนเจ้าของไฮโลก็ถือถ้วยไฮโลไปแล้วยังให้ตายไปเลยสิบคนพาสององค์จ่าได้ยินเสียงทลอรีกันแพลงกระทองกุศลาไปเดาหน่อยอละแนี่แทนที่จะจะไปเทไปสอนให้คนเข้าใจเอาคนตายนั่นะเป็นเครื่องมือสอนธรรมะ้าไม่เอาอีกมีแต่ยากกุสลาธรรมากุศลาธรรมาพอไปถึงเตะทั้งหมู่ไปสมโทรโคราเอาเงินมาไปจ้อย มันน้าจะต้องทำความเข้าใจกันให้มากๆลักษณะเช่นนี้และเราจะเป็นนิกไม่ได้ดอกมันจะเป็นนอกลองคิดดูคนไทยของเรายิ่งในภาคอีสานของเราทุกยากลำบากความจริงไม่ทุกอยากหรอกอย่างนี้อาจจะมาไปประเทศทางอาฟริกาทางตะวันออกก่างเขาแห้งแรงกว่านี้เป็นร้อยร้อยเท่า เขายังพัฒนาเข้ามาได้ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขามั่งมีสิสุประชาชนเขาไม่ได้ฟุ่มเฟือยมีวิดีโอมีโทรศัพท์อย่างเราเขาเลี้ยงแพะเลี้ยนแกะเข้านั่งรถเก๋งไปใส่ชุดเดียวชุดกระโปรงต่อกันชุดขาวๆสเวียนบาหนังอยู่ในห้องแอร์ก่อชุดนั้นไปเรียนอูดก่อชุดนั้นอยู่ในรถก่อชุดนั้นของเรานี่โอ้ยไม่รู้แฟชั่นที่ไหนหลังไหลเข้ามาบูชามอดแต่คลองดีๆขายข่าวสามกระสอบไปซื้อนเกงยีนขายข่าวตังตีกระสอบห้างกระสอบไปซื้อรองเท้าอาดิด รองเท้าสตาตมเตฟุตบอลคู่ละพันเจ็ดพันแปดโอ้ยนี่รู้จะเป็นนิกไม่ได้จะถูกเนากลงไปเท่านั้นในมีความประหยัดอะไรเลยลจะทํำยังไงกันนําท่านบังไร้ลองคิดดูเถอะพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวญีน่นี้มาจากเมืองจีนเมืองญีน่นเมือ่อก่อนนี้ภัยการเมืองนี้ภัยน้ําท่วมภัยจางแม่น้ำํำเหลืองฮวงฮอท่วมมาตายไม่รู้เท่าไหลายคนเขาก็พากันหนีนั่งลงสำเพาเทงเต่งเทงเต่งมาก เมื่อเห็นเมืองไทยแผ่นดินต้นไม้เขียวๆโอ้วาบ่ซิว่าบา่ซิน้ำบ่ตายแล้วมีเสือ้อมีมีหมอนใบเดียวมีเสืออขืนเดียวเท่านั้นเขาบอกว่าไม่จะตายคืนมาแก๋พร้อมลอมริบทาํามาค้าขายขายปลาตัวขายถวยขายแหกทาอะไรขาหยันไรหยันเมืองไทยสมัยนั้นไม่มีรถสามล้อคนจีนเอารถลากให้คนขี่ตนเองวิ่งเดี๋ยวนี้ลองดูสิ เตือกรามบ้านช่องใหญ่โตมีแต่พี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวยวนเพราะเขามีธรรมะเขามีธรรมะในใจินในใจเรียกว่าธรรมทิฏาธรรมิกะถะประโยชน์ประโยชน์อันจะนำให้เกิดขึ้นในชาตินี้คือขยันประหยัดไม่ฝุ่มวยรักษาไว้ยอย่างดีแล้วก็คบคนดีๆเป็นเพื่อนไม่คบคนชั่วพวกเล่มการ่านนันพวกดื่ม น, น้ำเมาวกวกเที่ยวกลางคืน เขาทำ น, นี้เขาก็เลยร่ำรวยส่วนคนไทยโอ๋อยังไงยังไงนอนเศร้าอยู่ที่นี่มีไร่มีนาะของเราสาบายไม่มีแผ่นดินไว้ไม่มีภูเขาไฟระเบิดคิดว่าเราเกิดมาโชคดีแต่ไม่ได้เอาหลักคํำหล่อนนั้นมาใช้เดี๋ยวนี้คนไทยพื้นบ้านพื้นเมืองกลับเป็นคนยากคนจนเห็นไหมเป็นนี่เป็นสิ่ง จะเศษจากกรกักท่วมทนท่าเมลเทมาบูชาซื้อเล็กซื้อห้วยขี่เกียร์ทำการงานจะเทศในฟังยิ่งไม่สนใจใหญ่โอ้ยมืดกันเหลือเกินมืดกันเหลือเกินเราจึงเปรียบเสมือนนกกระยางนกกระเจานั่งเฝ้านั่งเฝ้าน้องน้ำไม่ได้กินปลาคนโบราณพูดไว้เป็นผัญญาโอ้ยสัว่นกเจาดังงอยต่อฟังหิ้มฟาเห็นตามาอยากจะกินแดดิน นกกระเต็นเต็นตัวล่องกินก่อนนกเจ้าดังแง้ยหนาลําดายโอ้ยวิตนดีนกกระยางนกกระเจ้าไม่ได้กินเอ็นกกระเต็นมันโดดลงไปกินแต่ปลาตัวเป็นเนนกเจ้าก็ได้กินแต่ปลาตายปลาเน่าเน่า เฝ้าน้องน้ําอยู่เฉยเฉยเมือนคนไทยอยู่ที่ที่พี่ไรมีนามีบ้านม่ช่องเอาไปเอามาคนอื่นมาที่หลังร่ารวยมากมีสีสุกพราเขาขายันเหมือนนกอะเป็นตนเองยืมตูดโล่ขาดแต่เ่งแต่มีไปหาผาไปอยากจะได้แป่เล็กไปหากินนําผีไปหากินนําฝันพระรงองค์เจ้า ก, ก็ควรจะปฏิวัติตนเองได้แล้วก็ไปัตลูกตนเองได้แล้วศึกษา <c oughs> ทําคำตั้งตนจะมาเป็นหมออยู่หมอยาแั่งแก่บูชา <c oughs> บอกเลขบอกหัวอยู่นี่ไหวบ้านเมืองจะ ชิปขายวายบอดแล้วเราจะทํำยังไงกันเนี่ยดีนี้เราไม่สนใจหลักทำที่ดีที่นามกันไม่สนใจเอามาใส่จิตใส่ใจอาจจะมาจะต้องพูดไปอย่างนี่เพื่อจุดไฟบ้านรับไฟป่าที่มันจะโค้งกระนาลงมาน้ําท่วมบ้านกระทู่นนั้นถ้ามันท่วมวันละคืบวันละสอบวันละเม็ดแน่นอนพี่น้องชาวกระทู่นไม่ตายแน่เขาต้องหนีทันเดีนี่มันปึ้มตุ้งตึ้งมาที่เดียมหนีไม่ทันมันตายเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน ไฟป่าคือความเ ร, าร้อนทางจิตใจความเห็นแก่ตัววัตถุนิยมบูชาสิ่งที่เป็นวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจมันลางลาคล้นหลท่วมทะลักเข้ามาเหมือนกับน้ำท่วมา ก, กัทุมพวกเรากำลังจะจมตายไฟแห่งความ ร, าร้อนจะเกิดขึ้นจะไหม้ลนจิตใจถ้าหากเราตื่นไม่ทนะันน่ะไปนะเดนี่สาตนารับม